ตอนอบรมครับคุณครูโรงเรียนกรพิทักษ์ระหว่างวันที่ส0สิกันยายนถึงห้าตุลาคม2558้าห้าสบดตอนที่ห้าก็นั่งสบายสบายเนาะก็มีบางคำถามส่งมาแล้วนะพรุ่งนี้พ่อครูจะตอบทีเดียวนะตอนนี้ก็มาถึงวันนี้เป็นวันที่สามนะ ทุกคนเริ่มมีปัจกิกิยานะทั้งทางบวกทางลบนะแนวนี้จะทำให้เราเห็นกรรมชัดๆนะบางคนปฏิบัติอยู่ปวดปวดปวดปวดนะร้องไห้แรงๆหมดเวลาแล้วไปกินข้าวมันหายไปไหนนะนะแล้วบางคนปฏิบัติไม่เป็นอะไรออกไปเอ๊ะมันปวดหายไปไหนไปหาหมอไปเอ็กซเรไม่มีอะไรเลยเราเรียกว่าทำมาลม ทำมาลมเป็นอารมณ์ทางธรรมะทำให้จิตเราต้องต้องเทคคล้ายๆว่าต้องรับเป็นวิบากเนี่ยผู้เจ้าที่บอกว่าต้องศรัทธาต้องตั้งมั่นไงไม่งั้นเราถูกมารเราเนี่ยหลอกนะบางทีมันหลอกเรื่องเรื่องดีด้วยนะโอ้เห็นผู้เจ้าป่าปื้มเลยเขาก็หลอกเขาก้ามาสอบแล้วว่าเราก็เห็นว่ากิเลสเราเนี่ยถ้าสบายเนี่ยเราชอบถ้าไม่สบายปุ๊บเราก็ไม่ชอบ เห็นไอย่างทุกวันนี้เราเราเราชอบสบายเราต่อสู้เพื่อความสะดวกสบายสะดวกสบายทีนี้มันมีคนกลุ่มหนึ่งที่เขาบอกว่าเป็นโรคจิตพกกูพกกูมไม่ใช่เรียกว่าโรคจิตก็คือว่ามันเป็นอนุสัยเขานั่นแหละที่เราเรียกตอนอยู่อเมริกาเราเรียกกลุ่มคนนี้พวกซาดิทยิ่งเคียนยิ่งตีเนี่ยเขามีความสุขเห็นไหม ถ้าเราสอนเด็กๆลูกนะถ้าเราสอนเด็กๆภาษาไทยเราบอกว่าทุกวันนี้ที่เราทุกบอกว่าอันนี้คือสุขมากเลยนะพอเขาเกิดอาการเจ็บปวดเขาจะรู้สึกสุขมันอยู่ที่เราใส่โปรแกรมอย่างไรก็เป็นอย่างนั้นไอ้แนวนี้เนี่ยไม่ใช่พ่อครูสอนให้เป็นอย่างนี้นะจิตแต่ละดวงเนี่ยเขารู้เองว่าเรามีอุปทานอะไรเราชอบสุขใช่ไหมเขาจะทําให้เราเห็นทุกถ้าไม่เห็นทุกไม่เห็นธรรม ถ้านั่งแล้วไม่มีอะไรสบายสบายเลยแสดงว่าไม่เวิร์คเราเสียเวลาเปล่าความไม่ปกติเกิดขึ้นกับแนวนี้เนี่ยท้องอืดท้องร่วงเจ็บโน่นเจ็บ น, น, บนี่ปวดหัวหนักไายถอ ย, ยคือความปกติของเขาเขากำลังปรับสมดุลทีนี้บางอย่างเนี่ยเราเคยปวดอะไรเนี่ยเราเคกินยาแล้งับมันเราคิดว่าเราหายนะ เดี๋ยวมันพัฒนาไปสู่มะเร็งแต่บางอย่างมันไม่เคยเกิดขึ้นพอเรานั่งปุ๊บมันจะแสดงให้เราเห็นให้เรารับมันก่อนนะให้เรายอมรับมันนะ่ะแล้วเรามาเจ็บในกรรมฐานนะมันไม่ใช่เรื่องกายภาพจริงๆนะนะระแขนี่เคยความดันขึ้นวัดไม่ได้เลยล่ะนาว่าก็พาไปโรงพยาบาลเนี่ย ยาแรงที่สุดเลยไม่ใช่กินลดความดันนะฉีดยาอนะไรก็เอาไม่อยู่นี่ก็มีคำถามอยู่นะว่ามันไม่ใช่ของจริงมันเป็นธรรมอารมณ์นะน่อารมณ์ทางธรรมะเหมือนเกิดขึ้นจริงๆะก็ฉันเจ็บจริงๆมันไม่ใช่เรื่องกายภาพ มันต้องให้ให้จิตตัวนี้ยอมรับกรรมตัวนั้นเนี่ยลองอดทนนะทีนี้ไอความเจ็บเราแปลว่าทุกข์นะเราแปลว่าทุกข์จริงๆแล้วเจ็บแปลว่าเจ็บไม่ได้แปลว่าทุกข์นะพวกซาเดตทำไมเขาแปลว่าเจ็บเนี่ยคือความสุขยิ่งตีก็ยังมีความสุขเห็นไหมเราแปลวความเจ็บนี่คือความทุกข์เราก็ทุกข์ทุกข์ทุกข์โอเคถ้าทุกข์เนี่ย เราอย่าหนีมันนะอย่าอายาไปกบเกินเรารับมันพอเรารับเสร็จแล้วมันก็หายไปตอนนี้อะไรเกิดขึ้นมาแทนอาการที่เราไม่ทุกเนี่ยมันเป็นความสุขอย่างยิ่งเพราะหลุดออกมาจากกองทุกนั้นถ้าไม่มีทุกก็ไม่มีสุขอันนี้เป็นเรื่องของศัจธรรมความจริงแต่ชีวิตเราหนีความจริงตลอดเจ็บปุ๊บไปหาหมอกินยาระงับไม่ให้มันรู้สึกเจ็บเราหนีทุกตลอด เราจึงไม่เห็นความจริงนะความจริงคือเรามีทุกข์เป็นประธานตั้งแต่วันแรกเกิดมาเด็กๆทำไมไม่หัวเลาะเออดีใจจังเลยฉันเกิดแล้วเขาร้องไห้ทำไมเห็นไหมทำไมเขาร้องไห้ทุกตั้งแต่วันเกิดแล้วเขารู้ว่าจากนี้ไปฉันทุกข์แล้วอยู่ในท้องคุณแม่อบอุ่นไม่รู้ร้อนไม่รู้หนาวสัญชาตญาณ ยานรู้ซึ่งเป็นสัญญาในอดีตชาติเขาจำได้หมายรู้ว่าจากนี้ไปชั้นทุกแล้วแหกบากร้องทุกคนเขาจำได้หมายรู้เพราะเขาเกิดมาหลายชาติแล้วจริงๆแล้วเด็กมันมันจำได้นะแต่โตขึ้นโ ต, ข, นตขึ้นเราเริ่มใส่โปรแกรมอะไรเข้าไปเนี่ยนะลูกสาวนักคมเนี่ยเมื่อคือนเราเจอเพราครูไ ม, ไ ม, ไม่ไม่ค่อยเจอตอนนี้ไปเรียนมัธยมนะเขาเกิดที่นี่ กะครูส่งพี่ชายเขาไปบวชเนนเป็นมหาเลยนะ20ปีพอดีกำลังจะบวชพระละเขาก็ไปเดินไปทุดงกันไปแถวเมืองกาญไปวัดแห่งหนึ่งต้นไม้นี่เนี่ยใหญ่เท่ากับต้นโบกตรงนี้ใหญ่กว่านี้อีกสูงในในเป็นในในป่านะพระที่นุ่นก็ไปใช้ให้เขาปีนขึ้นไปนะเขาก็ตกลงมานะ ไปโรงพยาบาลยังไม่ตายนะเขาก็โทรมาบอกที่นี่พ่อครูก็เรียบเดินทางไปกับพี่สาวเขานะเขาอยู่โรงพยาบาลเขานอนประหา้าประหาาเขาจำเสียงพ่อกกูได้นะเออเนนได้ยินไม่ได้ยินมุมาตามลมหายใจเพราะตอนนั้นจิตมันไปอยู่ที่เวทนาตอนนั้นมันเจ็บปวดมากเขาดึงมาตามลมหายใจเนี่ยเขาเคยฝึกมาแล้วมันก็หมุนเขาก็นิ่งเ ข, เขาไม่เจ็บนะ พเพราะูก็รีบกลับมาจะให้นักคำพ่อเขาไปแทนมาระหว่างทางพี่สาวก็โทรบอกว่าแกเสียชีวิตแล้วแกเสียวันนี้อีกวันห น, นึ่งน่แม่เขาคลอดน้องแทนออกมาน้องแทนเป็นผู้หญิงพเพราะกูตั้งชื่อว่าแทนพเพราะกูเห็นจิตเลยเด็กคนนี้เนี่ยเขาจำได้ว่าเขาเป็นเนนเขาไม่รู้เรื่องพี่ชายเขาเลย ทีนี้นักคำเลยต้องไปแจ้งอำเภอแจ้งลูกคนนี้ตายคนนี้เกิดนะพ่อแม่เขาได้ยินว่าลูกชายตายเขาอุทานว่าไม่รู้จะเกิดมาทำไมเกิดแล้วมันก็ตายทีนี้เราเจอหมดนะน้องแทนเนี่ยเขาจำอดีตได้สองขวบสามขวบเองนะเผลอปุ๊บเขาจะไปตัดผมเขาทิง้งเขาไม่ยอมใส่กระโปรงเลยเขาบอกเขาเป็นเนน มันตายแล้วมันม า, มาทันทีเลยเพราะครูตั้งชื่อแทนนะนี่คือสัญชาตญาณญาณรู้ซึ่งเป็นสัญญาในอดีตชาติเขาจำได้หมายรู้ว่าเกิดที่ไร ท, ทุกทุกทีเพราะครูท้งบอกว่าเรามาเจอทางตรงๆแล้วถ้าไปฝึกไอ้นั่งสมถธอะไรเนี่ยไม่ใช่ไม่ดีนะมันเป็นบาดฐานเบื้องต้นนะแต่มันไม่ได้แก้กรรมอะไรเลย เราเพิ่มสมาธิเพิ่มสติถามว่าเราได้ขัดเก่าจิตให้ผ่องใสไหมเรามีนี่เก่าอยู่ล้วไม่ได้ไปสาสางเลยนี่แหละตอนจิตมันเข้าไปในจิตแล้วมันกำลังสาสางคดีความทุกอย่างจายมันอย่าหนีนี่ถ้าเราคิดเหนียวนี่ว่าเจ็บหนึ่งฉันไม่เอาแล้วเราคิดว่าหนีไม่ได้เลาหนีมันวันนี้ก็ต้องใช้ในวันหน้าใช้ในชาตินาแต่จาไว้ว่า ไม่มีอันตรายที่มันอันตรายเพราะเราไปคิดเอาเองแล้วเรากลัวเราไม่อยากเจ็บไงอยู่ดีๆมานั่งให้มันเจ็บทำไมนะอยู่ดีๆมาเต้นให้มันเหนื่อยทำไมถ้าถามคืน่าเออเราเล่นกีฬาทำไมไปตากแดดตากเลยทำไมไปเหนื่อยทาไมเห็นไมเพราะเราเชื่อมั่น่าเล่นกีฬาแล้วมันเป็นยาวิเศษไงมันแข็งแรงไงนะเนี่ยเพียงแต่ ว, ว่า เราทําตามที่กําลังเราทําได้นะแล้กลับไปแล้วเนี่ยเราไ ม, ไม่เวลาขนาดนี้หรอกนะเพราะกูให้ข้อคิดว่าตื่นเช้ามาเข้าห้องน้ําทุกวันต้องเข้าห้องน้ําแปลงปันไม่ต้องมีเสียงนะยืนเช็คกิ้งสักหนาทีนะคือเป็นการปลุกนะเรานอนทับตัวเองมาตั้งนานเหมือนสุนัขอ่ะมันขึ้นมามันก็สลัดนะผ่อนคลายร่างกายความตึงเครยียดของร่างกายเห็นไหม เออแล้วกลางวันไปทำงานงานอะไรก็ช่างเนี่ยอยู่ปัจจุบันสะสมแต้มไปเรื่อยไม่ต้องเครียดไม่ต้องไปกำหนดเหมือนหุ่นยนต์น่ไม่ใช่ก็อยู่กับการทำงานส่วกนกลางคืนอาบน้ำเสร็จแล้วเนี่ยอย่าลืมอาบจิตขอสัก 20-30 บนาทีได้ไหมนะนั่งเวียงนั่งหมุนเนี่ยอันนี้เป็นตัวทำให้ลมปานเราเดินบ่อยๆนะเลือดลมมันวิ่งนะ คนเป็นอมาพาสยีปีนะ่ยี่สิบเจ็ดปีนะ่มันมาเวียงแนละ้วมันฟื้นแต่ก่อนจะฟื้นนี่เขาต้องรับบี่บากมากเขาเห็นว่าเขาฆ่าคนเขาเป็นอดีตตำรวจ น, นะเขากลัวเขาเหมือนเป็นคนถูกฆ่าแล้วมันก็ดิ้นดินดินใหญ่เลยเพราะมันจ่ายนี่กรรมนั้นปลดขึ้นมาเดินเฉยเลยคือพวกครูเห็นสิ่งเหล่านี้มาตั้งนานไอ้เรื่องเจ็บปวดอะไรเนี่ยเป็นเรื่องธรรมดาใช่หมยัง ตอนนี้คนไม่ปฏิบัติทํำเลยทำไมอยู่ๆเกิดอุบิเหตุเป็นโรคมั่นนี่เนี่ยตอนนี้คนล้นโรงพยาบาลนะเห็นไหมอันนั้นมีบากกรรมคุณหนีไม่พ้นหรอกมันก็ต้องส่งผลไงอันนี้เรารับมันมาก่อนเราค่อยๆรับไปไม่ต้องไปเร่งด่วนนะค่อยๆรับไปเพียงแต่ว่ามาอยู่ที่นี่เนื่นองจากเงื่อนไขเวลาของคุณครูเนี่ยเวลาชีวิตเราไม่มากนะช่วงนี้เนี่ยเราเหมือนอุ้ยหนักไหมเช้าสายบ่ายเย็นแต่คนอยู่ศูนย์นี่เป็นปกติแล้วนะ มันเป็นวิถีของเราแล้วเนี่ยไม่ใช่หนักหรือเบาคนแก่ยุคเจ็ดแปดสิบก็ทำอย่างนี้ทุกวันแ ร, แรกมันจะมีความเปลี่ยนแปลงเพราะว่าโดยเฉพาะมันต้องเอาเรื่องกายภาพก่อนเหมือนคุณครูท่านไม่เคย exercise ไม่เคยออกกำลังกายวันแรกก็ฮือเขิมอยากแข็งแรงไปวิ่งจนเกินความเป็นจริงเห็นไหมแล้วเงร่างกายกเราก็ปวดเมื่อยเห็นไต้องขันตินะมันเจ็บรู้ว่ามันเจ็บ อย่าไปเจ็บตามมันที่เราไปเจ็บตามมันจะเกิดอุปทานขึ้นอุปทานเราไม่ชอบเจ็บอยู่แล้วถ้าเราไปสนใจมันปุ๊บเนี่ยมันจะดึงให้เราไปรู้ไปกังวลที่ใจเราจะเหนื่อยเลยล่ะกลายเป็นแหยงเลยล่ะนะเราก็พลาดโอกาสนะเอาเป็นว่าพราะครูบอกตั้งแต่วันแรกว่าเชื่อจิตอย่าไปเชื่อใจใจมันหลอกเรามันใจสอดมันกลัวไปหมดเพราะมันกลัวว่าไอ้กิเลสมันอยู่ที่ใจมันกลัวว่าจิตจะเวียงมันทิ้งไง บางทีเอาความเจ็บปวดมาหลอกเราบางทีเอาอะไรอะไ ร, ะไรความเบื่อมาหลอกเรานะมันจะอ้างโน่อนอ้างนี่น่นแหละเราไม่ได้สู้กับอย่างอื่นเราสู้กับอุปทานเรานะบางทีเห็นไหมคุกคนอาเจียนเนี่ยอาเจียนทำไมเห็นไมเหมือนเขารักษายาเสพติดนะั่นอยู่ในวัดแห่งหนึ่งเขาก็ไปกินยาสมุนไพรก็คลให้มันลักคายอ้ว ก, อ, ก, อ, กออกมานะอันนั้นหายชั่วขาวนะ พอไปเจออีกมันก็เอาอีกนะมันมันอ้วกเหยเรื่องกายภาพเฉยๆนะเหมือนเราสูบบุหรี่มินิโคติีเนี่ยเก็ล้างมันออกเฉยๆแต่ขบวนการสันดานเรายังอยู่พอไปเจออีกมันเอาอีกแต่อันนี้เราฝึกจิตเนี่เราล้างสันดานเลยล่ะล้างอนุสัยนะชีวิตเราทำอะไรบ่อยๆก็กลายเป็นเป็นนิสัยถ้าทำบ่อยๆก็ติดเป็นสันดาน ตายไปแล้วไปเป็นอนุใส่ตั้งแต่เกิดมาเลยเนี่ยคนนี้ขี้แยคนนี้ไม่ขี้แยคนนี้เลี้ยงง่ายเลี้ยงยากมันตามไปเลยนะมันไม่ได้หายไปไหนเพราะคุณถือ ว, ว่าอย่าไปห น, นีมันถ้าเกิดว่าไม่ไม่สบายใจเพราะเรายังไม่เข้มแข็งโอเคเราก็พึ่งยาก่อนแล้งับคนปวดหน่อยหนึ่งไม่เป็นไรแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องกายภาพมันเป็นธรรมบรมนะ อันนี้ต้องต้อ ง, ต, องต้องสร้างศรัทธาให้กับตัวเองนะก็ก่อนจะแข็งแรงถ้าถ้าไม่ยอมทุกก่อนสุขมันจะไม่เกิดขึ้นเราต้องเสพความทุกข์ว่าโอ้มันทุกข์มันเป็นแบบนี้นะเมื่อเรายอมจ่ายมันแล้วนี่ทุกข์มันหายปุ๊บไม่ต้องได้อะไรเลยนะความรู้สึกสุ ข, สขเกิดขึ้นมาเลยมันเป็นของคู่นะสาลานี้สะอาดเพราะอะไรเพราะคุณครูเอาความสกกระโปรออกเราไม่ได้ไปซื้อมิสเตอร์คลีน ไม่เอาตัวสะอาดมาใส่สักหน่อยหนึ่งแค่เอาความสกรปรกออกเท่านั้นเองตอนนี้เรากำลังขัดเกาจิตให้ผ่องใสไม่ใช่ไปเพิ่มแค่สติสมาธินะนี่คือมรคจิตของจริงเราไม่ได้เห็นด้านเดียวหรอกเดี๋ยวพวกคูจะเชิญคุณครูสี่คนนะครูผู้ชายสองคนครูผู้หญิงสองคนขึ้นมาแลกเปลี่ยนนะบางคนนะบางคนก็ไปเห็นทุก แต่บางคนมาปุ๊บที่ทุกอยู่แล้วมันก็หายไปเห็นไหมมันเป็นของคู่แต่ทุกก็ช่างสุข ก, ก็ช่างมันไม่จีรังยั่งยืนทุกก็ไม่เที่ยงสุข ก, ก็ไม่เที่ยงเรามีหน้าที่ทำจิตให้เรามันเที่ยงไม่ไปหลงกับสุข ก, กับทุกนั้นนั่นหละความสุขถาวร น, นะนี่คือความจริงนะแล้วก็พรุ่งนี้คำถามต่างๆพ่ะครูจะรวบยอด ไปพูดพุ่งนี้ช่วงนี้ก็เพรากคไม่ได้บอกล่วงหน้าต้องขอโทษย่านในแง่นักวิชาการกลัวมากไม่บอกชั้นก่อนตอนอาจารย์อ้อยมาใหม่ๆพราะคุไม่บอกคุณหมอมาจากไล่เพราะกลัวเพราะกัวกกเชิญมาหน่อยถ้าเป็นทางโลกเขาจะโกรธมากบางทีเขาเากลัวเขาจะาเากลัวจะเสียหน้ า, ขาเขากลัวจะตกมมาตายถ้าไปพูดเรื่องที่เขาไม่รู้นั่นเขาจะกลัวมาก เราพูดความจริงไม่ต้องกลัวนะสัจธรรมความจริงนี่พูดเมื่อไหร่ก็ได้บางทีเขาถามเรื่องอะไรความจริงคือเราไม่รู้เราบอกฉันไม่รู้ไม่เห็นหน้ากลัวเลยไม่เห็นหน้าหน้าอายเลยไม่รู้ก็บอกไม่รู้ไงนั่นคือความจริงอย่างยิ่งใช่ไหมแต่ถ้าเราไปเอาวิชาการมอะไรจะเตรียมสไลด์อะไรไปหมดเลยอะไรเนียนะมันไม่ใช่ความจริงมันเป็นสิ่งที่คุณเตรียมมา ความจริงคือเรามีอารมณ์อะไรเนี่ยเราปฏิบัติแล้วเป็นยังไงเห็นอะไรรู้สึกยังไงก็พูดมาก็พูดเลยนี่คือความจริงไม่ต้องจำด้วยไม่ต้องเตรียมด้วยนะนี่คือสัจธรรมความจริงนะก็ครูท่านแรกพระครูเชิญครูทองพูนครูพระละขึ้นมาบนนี้ครับเชิญครับมาแลกเปลี่ยน คือมาแบ่งปันประสบการณ์นะขอขอเก้าอี้ตัวหนึ่งมันดีกว่าจะได้มองเห็นหน้ากันตรงนี้เก้าอี้ตรงนั้นตะอุ้นตัวนึงครับคุณครูนั่งทางนี้ก็ได้นั่งบนเก้าอี้ครับนั่งบนเก้าอี้จะได้เห็นก็ พ่ะครูก็อยากรู้นะก่อนที่คุณครูจะมาปฏิบัตินะอารมณ์ตัวเองเป็นยังไงแล้วตอนนี้หลังจากปฏิบัติช่วงสั้นๆคําว่าสั้นๆพระครูเนี่ยหมายถึงว่าหเดือน6เดือนปีหนึ่งสั้นมากนะครูบาอาจารย์บางทีท่านบวช30 4สิี่ห้พรรษาเนี่ยท่านก็ยังไม่ไปไหนเลยนะโอเคช่วงสั้นๆที่เราปฏิบัติเนี่ยหลังจากปฏิบัติแล้วเนี่ย ช่วงปฏิบัตินี่เห็นอะไรบ้างสัมผัสอะไรบ้างนะแล้วก็ตอนนี้อารมณ์เป็นยังไงบ้างนะครับแค่ถ่ายทอดความจริงที่เกิดขึ้นกับเรานะไม่ใช่เรื่องที่น่าอายอะไรเนี่ยเป็นการให้ธรรมทานวิทยาทานได้ไหมครับครับขออนุญาตพระครูนะครับจากการปฏิบัติทางด้านนี้นะครับผม ให้ความรู้สึกเลยว่าผมบวชมาสองครั้งครั้งแรกบวชเพื่อแทนคุณคุณพ่อคุณแม่ครั้งที่สองบวชเพื่อชดใช้กรรมชดใช้ความรู้สึกผมคิดว่าบวชแรกบวชแรกนะครับคือให้พ่อให้แม่เนี่ยจบบวชที่สอง ชดใช้ให้กับเจ้ากรรมในเวรซึ่งในจิตผมเนี่ยหรอในใจผมเนี่ยเมื่ออนสมัยเด็กๆเคยหยิบเงินกระถินเงินพระป่าไปใช้เป็นจำนวนเท่าไหร่จำไม่ได้แต่มันฝังอยู่ในจิตอยู่ในสภาพของผมว่าคุณเจ้าเอง จะต้องเอามาใช้จะต้องเอามาใช้จะต้องเอามาใช้ผมบวชครั้งที่สองซึ่งมีท่านดรนิสากรท่านดรบุษกรท่านอาจารย์ทองสุขท่านอาจารย์จรลลยเป็นโยมอุปถากให้ครับแต่ผมไม่ได้บอกว่าผมบวชเพื่ออะไร แต่ผมบวดชจดใจก้กรรมเมื่อเข้าไปในเป็นพุทธสาวกของพุทธเจ้าแล้วมันไม่ขาดมันก็ยังฝังอยู่จางนั้นเมื่อไรเมื่อไรเมื่อไรมันจะไปจากข้าพเจ้าสักทีระยะ22ปีที่ผมบวชออกมานะครับ มันยังอยู่ณปัจจุบันมันก็ยังอยู่ซึ่งการปฏิบัติธรรมครั้งนี้ต้องกราบขอบคุณท่านดรนิสากรนะท่านดรบุษกรครับเมื่อคืนผมได้หลุดไปจากตรง น, นั้นแล้ว ผมเจอแล้วนะครับไอ้ที่ผมน้ำตาไหลเนี่ยคือไม่เกิดจากที่ผมได้ใช้นี่นะครับใช้นี่แล้วตัดกรรมกับเจ้าของเงินนะครับ เ้าของเงินที่ ท, ทํากระถินทําพระป่ามาซึ่งพ่อครูบอกว่านะครับาวานนี้คุยกับพ่อครูพ่อครูบอกว่ามันเป็นกรรมแต่เด็กๆอาจจะกรรมน้อยนะครับแต่เมื่อคืนเขามาเอาไปแล้วนะครับเราได้สละส่วนบุญนะครับที่กระทำไปเมื่อคืนนะครับเมื่อคืนก็ หมุนเข้าไปนะครับโดยที่ตัวเองเปิดใจกว้างนะครับแล้วรู้สึกว่าเขามายืนยืนอยู่รอบๆข้างแล้วที่ผู้หมุนก็ไปลักษณะคือแบบนี้เรียกเขาเข้ามาเอาไปครับเรียกเขาเข้ามาเอาไปนะครับ ซึ่งพลังงานที่ออกไปนั้นมันรู้สึกว่าเราโล่งสบายใจนะครับแล้วอาการต่อไปก็คืออาการเจ็บหัวเข่าเจ็บหัวเข่าของผมซึ่งอาศัยจิตของพวกครูบอกว่าเจ็บให้รู้ว่าเจ็บสักพักหนึ่งผมเป็นคนที่ชอบท้าผมเอากายท้าจิตว่า เมื่อคุณรู้ว่าผมเจ็บคุณจะมีวิธีรักษาเข่าผมยังไงผมเอากายท้าจิตท้าเข้าไปท้าเข้าไปผลสุดท้ายปรากฏครับว่าเขาผมดีขึ้นมีการยืดมากขึ้นไม่รู้สึกแล้วเมื่อคืนบางคนเห็นว่าทำไมเมือ่อโกลำบ้าบ้าปบออะไร เป็นอะไรก็ไม่รู้ล้าสู้กับท่านดท่านพูดยังไงคือสู้กับพี่ตู่บางคนบอกว่าใส่พลังใส่พี่ตู่นะครับเป็นการล้าที่ไม่คิว่าตัวเองเป็นอะไรเหมือนกันนะครับมันไปตัวเองอัตโนมัตินะครับซึ่งพลังด้านนี้คุยท่านพอผมนั่งคุยกับพ่อครูพ่อครูบอกว่า มันเป็นอุปทานเจอแล้วก็ทิ้งไปผมก็ทิ้งไปแล้ววันนี้จะเจออะไรอีกก็ต้องรับสภาพตรงนั้นนะครับก็ต้องตัดทิ้งไปการที่มาศูนย์พลังข่อยตรงนี้หลายคนนะครับลักษณะท่าทางหรือว่า อ, อุ ป, ปทานของตัวเองออกมาอย่างบางคนเป็นนักมวยบางคนเป็นเอน็นนุ่เป็นเอน็นี่บางคนเป็นนางลามบางคนเป็นนางฟ้าเมื่อคืนไม่รู้เป็นอะไรก็ไปเหมือนกันนะครับก็ไปไหลไปเรื ons, ่อยนะครับจากที่เขาบอกว่ามันไหลไปเรื่อยปล่อยมันไปมันค่อยๆผุดค่อยๆผุดค่อยๆผดุดค่อยๆผุดค่อยๆขึ้นมาค่อยๆขึ้นมาถ้า น้องๆและเพื่อนครูสามารถเข้าถึงตรงนั้นมันจะค่อยๆขึ้นมาครับขึ้นมาเรื่อยๆ ข, ขึ้นขึ้นขึ้นมาเรื่อยๆนะครับอย่าไปอุปทานกับตัวเองนะครับให้เขามาให้เขาไปนะครับสักพักหนึ่งเขาก็จะไปจากเราเขามาเอาจากเราไปแล้วนะครับแล้วพวกครูถามผมว่าผมเล่นดนตรีเป็นไหม ผมไม่เป็นเลยไวโอลินก็สีไม่เป็นกีตา้าก็ไม่เป็นก้องก็ไม่เป็นพ่อครูบอกว่าแล้วคุณเล่นอยู่ได้ยังไงผมก็เล่นของผมไปมันไปมันเองมันได้อารมณ์มันก็ไปแล้วนะครับปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊ บ, ป บ, ป บ, ปบไปมันเองเพราะฉะนั้นฝากเด็เพื่อนครูนะครับว่าเราอย่าไปยึดติด ปล่อยไปเขาจะมาให้เขามาเดี๋ยวสักพักหนึ่งเขาก็ไปแต่เมื่อคืนผมกล่าบพระครูเลยว่าผมให้เขาไปแล้วส่วนตรงนั้นที่คุยกับพระพ่อครูวายานเขามาเอาไปแล้วครับขอบคุณครับสาธุสาธุเออไปเชิญฮนะก็ให้เป็นวิทยาทานนะ ที่พ่อครูบอกว่าไม่มีแม้แต่หนึ่งอย่างไม่เกี่ยวกับกรรมยกตัวอย่างท่านที่มีน้ําหนักเกินนะก็เป็นกรรมอย่างหนึ่งนะบางทีเรากินอะไรเนี่ยมันเกินความเป็นจริงทีนี้พอมันรูปร่างใหญ่แล้วมันก็ต้องการอาหารมากขึ้นนะนะก็ถ้าปฏิบัติต่อไปนะคนที่น้ําหนักเกินเนี่ยจิตเขาจะลดน้ําหนักให้เราคนที่น้าหนักขาด เขาจะเพิ่มน้ำมให้เราเขาจะบูรณาการร่างกายเราไม่มีอะไรเสียหายนะร่างกายได้กายภาพบาบัดนะแล้วใช้ดนตรีบาบัดบาบัดล้างพิษทางอารมณ์นะก็เคยมีคนมาที่นี่ร้อยกว่ากิโลผู้หญิงนะกำลังจะเรียนปริยาโทอยู่จะไปรับปริญญาตีเนี่ยก็มาลดความรุนที่นี่นะเดือนกว่าๆเขาลดได้10กว่ากิโลนะไม่ต้องอะไรแค่ปฏิบัติทุกวัน นะและจิตเขาจะปรับสมดุล น, นะก็อันนี้เป็นเป็นเป็นอีกเคสหนึ่งนะจริงๆแล้วเนี่ยคุณครูทองปูนได้เห็นอะไรเยอะๆหรือรายละเอียดไม่ต้องพูดกันแล้วกันเนาะเพราะครูถามว่าไอ้ที่อยู่ในกรรมฐานเนี่ยอดีตศีตีเป่านั้นครูสอนดนตรีหรือบอกไม่สอนกีฬาเห็นไหมแล้วแล้วทำไมมีอารมณ์เรื่องนั้นมันเป็นของเก่าทั้งนั้นแหละจิตเข้าโปรแกรมที่เราเคยเล่นตรงนั้นเนี่ยอย่างน้อยที่เราตรงนี้เนี่ยทำให้เราเพลินอยู่กับการทําตรงนั้นน่ะ แล้วก็วางความคิดเห็นไหมแล้วก็เต้นไปเต้นมามันก็รักษาร่างกายเราเนี่ยเพราะว่าเราก็วางความเจ็บตรงนั้นนะ่ะจิตเขารู้เองว่าต้องใช้โปรแกรมไหนเนี่ยมาให้เราดำเนินตรงนี้นะส่วนบางครั้งมันใจนี้กรรมนะ่ะจะเจ็บโน่นปวดนี่บ้างเนี่ยก็สัต์แต่ว่าเจ็บถ้าไม่มีเจ็บแล้วนี่เราจะเอาอะไรมากํ า, า, า, ากหนดจิตเราเห็นไหมนั่นแหละเจ็บก็รู้ว่ามันเจ็บนะอย่าไปเจ็บตามมัน โอเคนะท่านต่อไปคุณครูสำอางครับเชิญฮะเพราะครูก็เดินแอ บ, บดูเหรอเออว่าแกลำทำไมเดี๋ยวให้คุณครูสำอางเชิญนั่งข้างบนครับนะูนะออก็เห็นว่าเคยเออมีพื้นฐานพุทธศาสนาไม่ข้างบนดีกว่าฮะจะได้เห็นกั น, นเนาะก็ขอคารวะ พ่ะครูบัญชาด้วยความกรุบขอเรียนอสวัสดีคุณยญยอาจารย์คุณครูก้อยคุณครูแก้วแล้วก็พี่ตู่นะเอามาตามลำดับนะฮะแล้วก็หัวหน้าทุกทุกท่านเพื่อนร่วมงานพี่น้องทุกท่านทุกคนนะครับ อใ น, นส่วนตัวตั้งแต่แรกเริ่มเดิมทีนี้นี่คือผมปฏิเสธคือไม่ยอมรับนะเพราะว่าหนึ่งละมีมานะสูงแล้วก็มีอัตตาก็คือคิดว่าตัวเองนี้เนี่ยบวชมาหลายพรรษาแล้วก็เคยเป็นพระนักเทศนะแล้วก็เป็นมหาป ร, รียน จบปริญาโททำไมต้องมาปฏิบัติแนวนี้นอย่างคุณครูกแก้วให้ไปนี่แอนตี้แล้วก็ไม่อยากจะพูดอะไรมากรวบลัตตตอนไปปฏิบัติที่พระธรรมก้านี่คือไม่ปฏิบัติเลยเห็นเพื่อนหวัวเราะเห็นเพื่อนมีอาการแปลกๆเราก็หัวเราะเขาหวัวเราะนะแล้วก็แบบไม่ยอมรับไม่ปฏิบัติ ทั้งวันไม่ได้อะไรเลย จ, จนกลับมาแล้วก็หลังจากนั้นมาคุณครูก้อยก็มีนโยบายให้กับครูที่เป็นลูกน้องคือระดับหัวหน้านี่ปฏิบัติที่ห้องพรมแดงประจําอยู่แล้วให้ระดับลูกน้องเนี่ยไปปฏิบัติบ้บบบางนะก็วันนั้นเลยครับพ่อครูปล่อยวางทุกอย่างคือยอมยอมที่จะปฏิบัตินะฮะ เมื่อปล่อยวางยอมปฏิบัติปุ๊บนี่สมาธิเบื้องต้นเบสิกเคยปฏิบัติเป็นผ้ามาแล้วเคยใช้ยุบหนอพองหนอเคยนั่งสมาธิจนในระดับความนิ่งระดับหนึ่งแล้วทีนี้มาเราก็รู้เท่าทานอารมณ์มีสติตามรู้ทำให้เกิดสมาธิกายเคลื่อนไหวให้รู้ทุกอย่างอิียบ ท, ที่เคลื่อนไหวหูฟังนะศักเดีย ว, วฟังแล้วก็ใช้กายเคลื่อนไหวนะครับ มันก็จะนิ่งเบาไปทั้งตัวเบาไปทั้งตัวเคลื่อนไหวก็รู้ว่าเคลื่อนนะฮะเคลื่อนไหวก็รู้ว่าเคลื่อนนิ่งจนแบบรู้สึกว่ามือแขนขาเรานี่มันเย็นไปทั้งหมดเลยนะฮะมันเย็นไปทั้งหมดมันจะเกิดปีตินะครับอ่ามันเย็นไปทั้งหมดนะฮะ ร, รู้สึกว่ามันอิ่มเอบมันมีความสุขมากนะมันมีความสุขมากเลย เส้นอายเวลาน้อย40นาทีเองนะฮะก็เลยหลังจากปฏิบัติแล้วความรู้สึกมันจะผ่อนคลายลดลงอารมณ์โกรธอารมณ์โลภอารมณ์หลงมันจะผ่อนคลายลดลงสังเกตจากการเดินจะช้าลงผมจะเดินช้าลงน ะ, ะเดินช้าไปบ้านก็อารมณ์ดีน ะ, ะเจอหน้าแฟนถึงแม้เขาจะว่าเราเราก็ยิ้ม นี่มันมันคืออา น, นิสงส์จากการปฏิบัติมันได้ตรงนี้ครับพ่อครูนะจากวันนั้นมาจนถึงบัดนี้มีโครงการมีนโยบายต้องการอยากให้ครูบุคลากรคือผมผมมีศรัทธาแล้วจากนั้นมานี่ผมมีศรัทธาแล้วนะก่อนหน้านี้ น, น, น, นี่เขาบอกว่าหัวหน้าชมปเนี่ยหัวหน้าชมป์เก็บบัตรประชาชนน ะ, ะส่งครูก้วยจะได้ไปทํา H, ซื้อตัว๋วแล้วก็บินมาปฏิบัติที่นี่นะฮะผมปฏิเสกเลยออกก็ออกนะไล่ออกก็ยอมออกไม่ไปแอนตี้นะฮะก่อนหน้านี้แต่พอปฏิบัติแล้วนี่ความคิดจากแง่ลบเป็นแง่บวกเลยนะยอมมายอมไปคือเกิดศรัทธาอยากมาปฏิบัติเป็นวิธีการปฏิบัติอายตนะวิปัสนากรรมฐานผมดูในเว็บไซต์นะครับ ทีนี้เคยผ่านการปฏิบัติมาแล้วนี่พอเข้ามาปฏิบัติแบบนี้นี่มันก็ง่ายขึ้นนะฮะมันก็ง่ายขึ้นนะฮะตั้งแต่วันแรกมาคืออารมณ์ที่มันเป็นสมาธิมันมีอยู่แล้วครับพวกครูแล้วทีนี้การออกเป็นไทเก๊กเป็นอะไรนี่เป็นลำมวยจีนหรืออะไรนี่มันเคยปฏิบัติที่โรงเรียนมาแล้วผมมีอาการแบบนี้มาก่อนแล้วทีนี้ แต่พอดีว่าวันแรกเนี่ยก็จะอกอาการธรรมดาคือเป็นอารมณ์ธรรมดานะฮะเกิดความสุขในการปฏิบัติเกิดความสุขในการปฏิบัตแต่พอดีเมื่อคือนนี้เนี่เมื่อคือนนี้เป็นอารมณ์ของวิปัสสนาเนาะตอนนั่งวิปัสสนาก็เป็นแบบนี้ครับแต่ไม่ได้ออกแสดงออกทางกายมันอยู่ในจิตนะคือเราจะสวยผลกรรมนในสิ่งที่เราทำมามีอันนี้เป็นมีอยู่ในพระไตรปิฎกนะฮะ สามารถไปอ่านดูได้มันเป็นการสวยพ้นกรรมอารมณ์ของอิปัสสนาระดับผ่านกปฏิบัติจะรู้นะพ่อครูฮะทีนี้มาปฏิบัติแนวนี้มันออกเป็นทางกายภาพคือออกจากจิตมาเป็นกายให้เราได้เห็นว่าอดีตชาติเราหรือว่าที่ผ่านมานี่เราได้ทำกรรมอะไรบ้างมันก็จะออกมาเลยเมื่อคืนเนี่ยผมน่าจะเป็นผู้คุมนักโทษนะฮะโดนโดนเขาทาโทษนะ ความรู้สึกเนี่ยโดนเขาทาโทษทุกอย่างเลยนะเนี่ยเขาเหมือนใช้ตะขอนะใช้ตะขอนี่งัดคอผมแบบนี้เลยเวาการมวันนี้เลยแบบคือมันหายใจไม่ออกเหมือนกับเขาทรมานเราน ะ, ะ โ, ดนนโดนโซ่ตัวโดนผูกมัดมือเนี่ยออกมาเลยครับนี่ออกอาการมาเลยนะเคยหักขากบตอนเป็นเด็กเนาะไปหากบบหักขากบ ออกมาเห็นเลยเหมือนกบถูกหักขานะเคยฆ่าไก่เนี่ยผมนี่ยมือสังหาร <c oughs> เคยฆ่าไก่นะคือผมฆ่าไก่เนี่ผมไม่ได้ฆ่าด้วยเจตนาหรอกตอนนั้นเป็นเด็กเคยบวชเป็นสามเณรอยู่สองปีก็ลาสิกขามาแต่การฆ่านี่ถูกพ่อแม่ใช้ฆ่าผมก็เลยฆ่าแต่ผมไม่มีเจตนาร้ายนะแต่ผมฆ่าเพราะถูกคําสั่งนะแต่ว่าผลกรรมที่เราฆ่านี่ส่วนหนึ่งนะ มันก็จะส่งผลให้เราเห็นในชาติปัจจุบันอารมณ์วิปัสสนามันเกิดมันก็จะส่งผลให้เรานี่ครับผลกรรมก็สวยนะครับนี่ไม่ใช่แกล้งทํานะมันออกมาจริงๆแล้วมันมันเหนื่อยมากในช่วงระหว่างเราทำเนี่ยมันเหนื่อยเราสวยกรรมเนี่ยมันเหนื่อยมากนะฮะถือว่าเป็นปัจจตังครับพวอครูครับเธอในส่วนนี้นี่มันรู้ได้เฉพาะตนมันเหนื่อยมากนะแต่ว่า หลังจากปฏิบัติแล้วสองชั่วโมงแต่ละช่วงแต่ละโปรแกรมนี่ผมรู้สึกว่าผมไม่เหนื่อยวิ่งต่ออีกก็ได้สัก2กิโลนี่วิ่งได้ อ, อีกมันไม่เหนื่อยมันเกิดพลังฮะแตกต่างจากการออกกําลังกายผมก่อน ก, กำลังกายทุกวันก่อนที่จะมาปฏิบัติแนวนี้ผมออกกําลังกายวันละหนึ่งชั่วโมงมันเหนื่อยนะฮะจากแต่ก่อนเป็นผ้าเนี่ยน้ำหนัก90โลนะเออเป็นผ้านี่ผมอ้วนมากเลยน ะ, ะพอแล้วสิกขามานี่ยอยากหุณนดีบ้าง แฟนก็ให้กาลังใจนะก็อยากคนดีก็เลยลดอาหารงดอาหารทานอาหารที่เป็นประโยชน์ออกกําลังกายแต่การออกกําลังกายเชื่อไหมครับมันเหนื่อยกว่าการฝึกปฏิบัติแบบนี้ผมผมคิดว่าได้พลังลมปาณหรือพลังจิตนะมันกล้าแข็งจนไปรักษาร่างกายให้เราไม่เหนื่อยได้เนี่ยมันเกิดอัศจรรย์ตรงนี้แหละครับนี่คือความรู้สึกที่ ระบายออกมาจากการปฏิบัติคนแส้แส่งแกล้งทำไม่สามารถพูดแบบนี้ได้ใช่ไหมครับพ่อครูครับถ้าคนสแส้แซ่งแกล้พูดแต่หลักวิชาการไปนี่คืออารมณ์มันออกมาจากการปฏิบัติเนี่ยสือให้ทุกท่านได้เห็นนะครับดังนั้นก็ข อ, อขอพู้คนนะครับพ่อครูนะครับซึ่งผมนี่ผูล้ลําเนาอยู่จังหวัดศรีสะเกดผ่านเทนี้บ่อยเดี๋ยวจะพาแฟนมาด้วยแฟนนี่เป็นโรคความดันความดันสูงด้วย นะวัดแต่ละทีร้อย8 0นะขึ้นสูงมากนะฮะทีนี้นี่เมื่อเราปฏิบัติแล้วตั้งแต่นโยบายครูก้อยให้ปฏิบัติปุ๊บนี่เป็นยังไงครับเกิดความสุขอย่างน้อยน้อยเราก็มีความสุขเนาะมีพลังในการทํางานนี่คือประโยชน์ที่ได้รับแล้วทีนี้ครอบครัวก็มีความสุขนะลูกหลานก็มีความสุขนะนะท่านใดที่ทนะเลาะบาแวงกันมันก็จะกลับมามีความสุขโดยอัตนมัตินี่คือเรา ผลแห่งการทําความดีแต่พระรูก็บอกว่าการปฏิบัติไม่ใช่ว่าปฏิบัติเพื่อหวังผลกําไรอะไรนะแต่เป็นการปฏิบัติเพื่อปล่อยละวางนะครับลดอัตราตัวตนลดกิเลสลดทิฏฐิมานะทีนี้ผมก็ได้แนวทางปฏิบัติหลังจากมาปฏิบัติเอ่อก่อนมาปฏิบัติที่นี่ก็ตั้งเจตนาว่าตนเองจะไม่ทานข้าวเย็นนะก็ทําได้แล้วนะสามสิบหนสอง สเนี่ยวันที่วันที่สี่กลังจะทําได้นี่คือไม่ทานเข้าเย็นแต่แรกๆนี่บอกว่าจะไม่ทานเข้าเช้าวันแรกทําได้อยู่นะแต่วันที่2ทําไม่ได้มันหิวเพราะมันใช้พลังเยอะผมก็เลยขอทานแล้วกันตอนเช้านะที่เรีกว่าจะไม่ทานนะแต่ตอนเย็นผมผมได้สาวันแล้วนี่วันที่4ี่นะครับนี่คือได้ทางกายภาพคือสามารถลดตรงนี้ได้นะครับ2ก็คือต่อสู้กับกิเลส คือเวลาไปทานข้าวนี่ปล่อยไปปุ๊บนี่ผมยังไม่ทานนะผมไปตักน้ํามาทานก่อนมันอยากผมบอกว่าเดี๋ยวให้มันหายอยากก่อนถึงจะไปทานเออผมไม่ตามใจมันนะเนี่ยนี่คือตรงนี้นี่ผมจะได้ อ, อ่มันง่วงนอนผมไม่นอนผมเดินก่อนเออให้มันหาหายอยากนอนเนะี่ยผมถึงไปนอนนะเนี่ยนี่คือเราต่อสู้กับกิเลสตรงนี้ได้ครับพวกครูครับดังนั้นก็อ่าขอขอพวกคุณครับที่ได้มีโอกาสได้มาแชร์ประสบการณ์ก็ขอบคุณมากครับ สาธุสาธุสาธุนโมด้วยก็ท่านต่อไปคุณครูทัดดาวครับคงยังไม่รู้ตัวนะเชิญฮะถ้าเราให้เตรียมตัวแล้วเราจะไม่ได้ยินของจริงเราจะได้ยินสิ่งที่เขาเตรียมมาแล้วนะเชิญฮะครูทัดดาวเชิญครับ ครับก่อนจะปฏิบัติรู้สึกยังไงมาปฏิบัติแล้วเป็นอย่างไรช่วงปฏิบัติเนี่ยสัมผัสอะไรบ้างนะครับค่ะขอบคุณนะคะ ครั้งแรกเลยนะคะตอนที่ได้ไปปฏิบัติที่พระราม9กก็คือเปิดใจเตรียมรับที่จะไปปฏิบัติค่ะก็ไปวันแรกได้นะคะบางอารมณ์รู้สึกอยากหัวเราะก็หัวเราะบางอารมณ์อยากร้องไห้ก็ร้องไห้แต่ก็ไม่เข้าใจว่าอารมณ์นั้นมันคืออะไรค่ะแล้วหลังจากนั้นกลับมาปฏิบัติที่โรงเรียนก็มีบางวันได้ บางวันไม่ได้บางวันที่ได้ได้แล้วเห็นอะไรเห็นเป็นเห็นเป็นนางลำรู้สึกว่าลำลำแล้วลำสวยสวยมากมองหน้าไปเรื่อยๆสวยสวยแต่พอหั น, หนมาอีกข้างนึงเหมือนตาโบแล้วหลังจากนั้นคือไม่กล้ากลัวกลัวมากแล้วกลับไปบ้านทําแต่ทําเหมือนแบบก็เหมือนระแวงว่าจะมีใครมาอยู่ข้างๆไหมแล้วแบบ มันมีอารมณ์กลัวเยอะมากค่ะแล้วมาที่นี่วันแรกมีสมาธิแต่ก็ยังไม่ไม่ไม่ไม่เห็นอะไรมากมีเมื่อวานค่ะช่วงสมาธิเวียงตอนบ่ายพอเวียงก็ไม่เข้าใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นหรือเป็นมองเพราะมองเขาปฏิบัติให้ดูก่อนแล้วเรียนแบบหรือว่าอะไรคือไม่เข้าใจตัวเองพอพอได้นั่งปุ๊บ ได้นั่งแป๊บเดียวก็เหมือนเบียงแล้วล้มลงรู้สึกตัวเองเป็นเสือเป็นเสือเป็นเสือแบบดุแบบอยากประคุบอยากตะคุบข้างๆข้างๆมองไปรอบๆเหมือนมีแมวค่ะมีแมวเดินบนแล้วแ บ, บกลัวกลัวมากกลัวสายตามแมวแต่ตั้งแต่จําความได้คือเป็นคนกลัวแมวมากตลอดค่ะเพราะหลังจากนั้นก็กลัวกลัวกลัวแล้วเหมือนเสือตายพอเสือตายปุ๊บกลายเป็นนางลำ เป็นนางรำแล้วแบบอยากรำอยากรำให้สวยที่สุดรำรำไปเรื่อยเรืจจ่อยเรื่อเรื่อยรำสักปุมันก็เหมือนหมดแรงแล้วก็นอนไปอยากพลิกตัวอยากเหวี่ยงอยากหมุนก็ตีลังกาตีตีตีตีไปเรื่อยสัพักลุกขึ้นมาเป็นเหมือนอะไรสักอย่างเป็นเหมือนช่างทอผ้าเหมือนหมุนหมุนผ้าหมุนหมุนหมุนหมุนไปเรื่อยหมุนไปเรื่อยๆแล้วก็เหมือนหมดแรงก็หมดไป แล้วก็ลุกขึ้นมาหมุนต่อเหมือนอยากทำไม้ทำมือแล้วก็หมุนเหวี่ยงเป็นวงกลมวงกลมวงกลมแต่หมุนหมุนถามว่าเวียนหัวไหมตอนหมุนไม่เวียนแต่พอหยุดปุ๊บหยุดกันหันานัก็เซก็ลม้มค่ะหลังจากนั้นก็ก็ มีหลายๆอย่างเกิดขึ้นเรื่อยๆเลยเป็นนักดนตรตีเหมือนดีดกีตาร์ทางที่ชีวิตไม่เคยดีดกีตาร์ก็ตีดีดดดเหมือนยากกระโดดก็กระโดดไปเรื่อยๆแล้วหลังจากนั้นพอตอนเย็นก็คือปกติคือถ้าแบบเหมือนเหมือนเป็นเสือก็แบบพยายามอยากสลัดสลัดแล้วมันก็หายแล้วก็เป็นนางลำต่อแต่พอมาตอนเย็นพอเริ่มนานาจิตตังเป็นเสือ อ, อีกแล้วหลังจากเป็นเสือเป็นนางลำคือมันเหมือนวนวนวนวนมาเรื่อยๆ ก็จบปลายน่าจะเป็นรู้สึกว่าเป็นหมาหมาตัวน้นอยๆแล้วแบบหาเจ้าของดมดมหาเจ้าของไปเรื่อยๆแล้วเจอด้วยนะเจอเจ้าของแล้วมีตอนบ่ายก่อนนั้นเป็นเหมือนพระฤาษีเดินหาลูกสิทธิ์เหมือนลูกสิษย์ร้องไห้ก็นั่งนั่งเดินไปไปเจอลูกสิทธิ์ด้วยนะเมันร้องไห้อยู่แล้วก็เข้าไปปอบปอบอันนี้คืออาการที่เกิดขึ้นถามว่าสงสัยไหมสงสัยมากขอบคุณค่ะ กับสาธุสาธุอนุโมทนาสาธุด้วยอาจารย์สำังเนาะถ้าในทางพุทธเราเนี่ยอันนี้เรียกว่าบุพเพนิวาานุสติยานยานรู้ว่าด้วยการระลึกชาติในชั่วโมงหนึ่งล้างหลายชาติเลยเราผู้เจ้าตัดสรุวิชาแรกคือบุพเพนิว า, านุสติยาน ระดึกชาติหลายชาติสมัยเป็นพระเวสสันดรเป็นอะไรก็ช่างพระองค์ไปรู้เรื่องเวียนไห้ตายเกิดบาปบุญกุลโทษไม่ใช่นั่งเทียนคิดเอาเองนะจากที่พระองค์ไปเห็นอดีตของพระองค์เองเลยเนี่ยไปเห็นไปไปสัมผัสอารมณ์เสือไปสัมผัสลมต่างๆนะเนี่ยกำลังล้างไปด้วยแล้วก็ไปเรียนรู้กับมันเห็นไหมสมมติว่าเราไปเป็นเสือเสือเวลามันโกรธเป็นยังไงเวลามันหิวเป็นยังไงเห็นไหม เราอยู่ปัจจุบันเขว่าอยู่ปัจจุบันเนี่ยถ้าพระครูนั่งอยู่เอา้าหลับตานั่งฌานแรกๆก็รู้ว่าคนที่ชื่อบัญชานั่งอยู่บัญชานี่สมมุติรู้ขวารู้ซ้ายเนี่ยขวาก็ซ้ายก็สมมุติวิปัสสนาต้องรู้แจ้งเห็นจริงตอนนี้ความจริงมีอย่างเดียวทั้นนั่นอยู่ในตัวเราคือจิตร่างกายนี่เอาไปเผาแล้วก็กลับไปคืนสู่ธาตุดินน้ำลมไฟแต่จิตเผาไม่ได้จิตต้องเห็นจิตคือมรรค ผลของจิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งคือนิโรธตอนนี้เราเข้าไปสู่กระแสมากแล้วเนี่ยวิชาแรกทู้เจ้าจัดสรูค้คือไม่ใช่เรื่องเหลวไหลไม่ใช่เรื่องสยศาสตร์ครูบาอาจารย์รุ่นเราร้อยปีที่ผ่านมาตั้งแต่หลวงปู่มั่นอะไรแล้วเนี่ยท่านก็ระลึกชาติได้แต่ว่าท่านฝึกแบบทีละขั้นอยู่ักฐานกายฐานเวทนาฐานจิตฐานธรรมท่านก็จ่ายนี่กรรมทางจิต ท่าไม่แสดงออกทางกายภาพเท่า น, นั้นเองมันก็เป็นมหาสติปัฏฐานเอ้ยมันเป็นสติปัฏฐานแต่ทีละขั้นแต่มหาสติปัฏฐานจริงๆเนี่ยกายเวทนาจิตธรรมต้องเป็นหนึ่งเดียวนะอาณาปณะสติผู้เจ้าตัดไว้ชัดเจนดูก่อนภิกษุทั้งหลายอาณาปณะสติอันบุคคลเจริญทําให้มากแล้วย่อมทําสติปัฏฐานทั้งสี่ให้บริบูรณ์คือกายเวทนาจิตธรรมบริบูรณ์ แต่ตอนนี้เราอยู่ยกับเจรพุธโยยุบหนอพองหนออันนี้อยู่ในฐานกายพอเดินไปเดินมามันเกิดเวทนาก็เจ็บหน อ, อเมื่อยหนออันนี้อยู่ในเวทนาคือเราแยกเป็นซอยๆนะกำลังมันไม่ถึงอันนี้เป็นเรียกว่าอนุสติอนุสติเป็นสติเล็กๆรู้ตัวทั่วพร้อมเอามาขี่จักรยานเอามาทำงานมาหาสติเท่านั้นถึงจะไประ ล, ลึกรู้อดีตได้แล้วก็เอาอดีตบรารมีนั่นมาต่อยอด นี่คือกายเวทนาจิตธรรมรวมเป็นหนึ่งเดียวครูบาอาจารย์พ่อครูเองเนี่ยหลวงพ่อชาเนี่ยเราเป็นคนอุบล น, นะถือว่าตั้งแต่เด็กๆ เ, เนี่ยเรียนรู้ธรรมมาทัา้งมันแต่ไม่เคยปฏิบัตินะสร้างวัดสร้างว่าท่านก็สอนอาณาปนาสติมันเป็นอนุสติแต่ว่าท่านสอนบอกว่ามัวแต่นั่งสมาธิมื่อจะถือศีลนั่งสมาธิมันจะไปไหนมันไม่ไปไหนมันก็อยู่ที่แค่สติไงมันไม่ไปไหน นะท่านก็เตือนบ่อยๆแต่ว่าอาณาปัสติเป็นแค่บาตฐานเบื้องต้นรวบรวมพลังสมาธิสติให้มันมีกําลังเข้าไปในจิตในจิตนะถ้าเราไม่เข้าไปในจิตในจิตเราจะไปขัดเกลาจิตให้ผ่องใสได้อย่างไรเนี่ยคุณครูเนี่ ย, ยกำลังเข้าไปแล้วนะตอนนี้เราเห็นคนแก่คนหนึ่งอายุ90เดินมาเดินหลังโกงๆลุกก็โอยนั่งก็โอยเราเห็นออทุกข์นะทุกข์แค่ไหนเรารู้ไหม ไม่รู้เราคาดคะเนเอาแต่พอเรารีวายไปสู่อดีตตอนที่เราเป็นคนแก่น่นะเราเป็นคนแก่จริงๆในอารมณ์น่ะโอยโอยโอยนะมีผู้ภากาษาครอบครัวหนึ่งมาที่นี่นะภรรยาแกเนี่ยเข้าไปในจิตได้ก่อนนะก็ไปเอาไม้กวาดพ่อครูนี่ยมาเป็นไม้เท้าเดินรอบสะพ่อคูถามยายายไปไหนไปเยี่ยมหลาน อายุเท่าไหร่90้าอุ้ยแกแล้วนั่งนั่งนั่งไม่ได้คิดถึงหลานนะพอพิพากษานั่งร้องโอยอยๆนี่คุณยายเดินเข้ามามารูปหัวลูกเอ้ยลูกเอยอย่าร้องให้สามีตัวเองเคยเป็นอดีตลูกชายถึงว่ารู้แล้วว่าเกิดมาใช้มาเป็นแม่เขาไม่ได้มาเป็นภรรยาจ่ายอีกเรื่องนี้ยี่สพก่ปีพกูเห็นหมด มันไม่ใช่เรื่องไร้สาระไม่ใช่เรื่องไสยศาสตร์มันคือความจริงแล้วก็อ้างผู้เจ้าตลอดก็ผู้เจ้าเราลึกชาติเป็นวิชาแรกที่ผู้เจ้าตัดสรุ้แต่พอใครเล่าลึกชาติในยุคนี้บอกเลวไหลนี่มิถ้าอ้างผู้เจ้าไม่ทําตามพุู้เจ้านะอันนี้คือวิชาแรกวิชาที่สองพระองค์ไปเห็นเรื่องกรรมจตุปาตยานยานรู้ว่าได้การเกิดเพราะกรรมตายเพราะกรรม พระ อ, องค์เห็นจากประสบการณ์อดีตของพระ อ, องค์เองเห็นไหมเห็นความเวียนว่ายตายเกิดที่พระ อ, องค์ก็ไปเห็นว่าเราเพอสร้างกรรมมาตั้งเยอะแยะทั้งกรรมดีกรรมชั่วไอ้กรรมชั่วจะมาจ่ายชาติเดียวมันจะหมดได้อย่างไรพระ อ, องค์ไปตัดสูวิชาที่สามยิ่งใหญ่ที่สุดพระครูถวายชีวิตพระ อ, องค์ไปเห็นต้นเหตุที่เราสร้างกรรมเพราะมีเรามีอาสวกักิเลสกิเลสทําให้เกิดตัณหาตัณหาทำให้อุปท า, านทําให้การอุปท า, านทําให้เกิดทุกข์พระ อ, องค์ไปค้นพบวิชา อาสวะขย้ายยานยานรู้ว่าด้วยการกําจัดอาสวะเกลเอตคือมักมีองค์8มันไม่ได้สับสนวุ่นวายถ้าเราเข้าถึงเรามาดูตัวหนังสือแล้วเนี่ยชัดเจนแต่ทุกวันนี้เราไม่เข้าไปแล้วก็ไปตีความเข้าทิติมาน่าตัวเองด็อร์สองคนจบปริญญาเก้าคนหนึ่งแปลนิพานว่าอัตตาคนหนึ่งแปลว่าอนัตตายุกเราคนนึงบอกเลี้ยวซ้ายคนหนึ่งบอกเลียยนนเ้ยวขวาเราจะฟังใครเห็นไหมไม่ใช่ดเรเป็นคนผิดอะไรเนี่ยแต่ความรู้เขาเกิดจากการคาดคะเน เราต้องเข้าไปเห็นก่อนแล้วค่อยมาดูภาษาที่เขาสมมุติไว้เนี่ยเราจะเข้าใจอัฏฐะในพยัญชนะนั้นชัดเจนนะผู้เจ้าไม่ได้อ่านพระจดีโดพระองค์ไม่มีปริยัติพระ อ, องค์เริ่มปฏิบัติก่อนลองถูกลองผิดอยู่6กภาษาเมื่อตัสรู้ธรรมเข้าสู่ปฏิเวทค่อยเอาสิ่งที่พระ อ, องค์รู้เห็นมาบอกกล่าวนะซึ่งเมื่อกี้นีอาจารย์สำอางพระคูรนุโมทนาด้วยผู้ปฏิบัติธรรมต้องไม่เชื่ออะไรง่าย ที่ต้านเนี่ยถูกแล้วแต่บังเอิญว่าทิฏฐิมานณะก็มีแต่ไม่มากนะอาจจะอาศัยบา ร, รมีอาจารย์ก้อยก็ได้หรือว่าความที่มีของเก่าเราเนี่ยทิฏฐิทุกคนก็มีแต่ว่ามันสู้ปัญญาเดิมเราไม่ได้แล้วถึงเรายอมลองไงหลังจากลองแล้วเราสัมผัสเองนั่นศรัท ธ, ธามันเกิดขึ้นเองอย่าไปศรัท ธ, ธาเพราะเขาบอกเราต้องศรัท ธ, ธาจากเราเข้าไปสัมผัสมันเองนะครับโอเคท่านสุดท้ายไม่เป็นไรใช้เวลาหน่อยหนึ่งคุณครู สมพิษนะเชิญครับคงยังไม่รู้ตัวเนาะเนาะเชิญครับมาแลกเปลี่ยนนะมาแบ่งปันประสบการณ์นะเป็นวิทยาทานครับเชิญครับคุณครู ให้คุณครูช่วยเล่าประสบการณ์ในการปฏิบัตินะครับอ่ะนะคะคือก็คื อ, ค, อ, ค, อครั้งแรกก่อนที่จะไปพรามณ์เก้าค่ะก็ได้ยินมามิก้อยนะคะบอกว่าไปพรามณเก้าไปทำประเภทนี้มาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ใจก็ยังไม่ได้นึกนะคะว่าอยากไปอะไรอย่างเงี้ยพอมาครั้งที่สอง มิดก็บอกอีกว่าใครอยากไปให้ให้ให้ให้ไปได้เลยแต่ตอนนั้นตัวเองข้อสอบก็ยังไม่เสร็จอะไรก็ยังไม่เสร็จยังเยอะงานยังเยอะก็เลยบอกว่ามิดคะขอทำข้อสอบให้เสร็จก่อนใจก็คือยังไม่อยากไปอะค่ะนะะจนมาครั้งที่3ก็เหมือนบอสบังคับนะะแต่ก็ยังมีงานอยู่ก็เหมือนบอสบังคับให้ไปก็คือไป ไปตอนนั้นที่พระราม9้าตัวเองก็ยังไม่รู้สึกอะไรเพราะว่ารู้สึกสนุสนานไปกับเสียงดนตรีนะคะแล้วพอถือเวลาเขาให้นั่งเวียงตัวเองก็ยังไม่รู้ว่าจะเบี่ยงไปทางไหนอะไรยังไงจะโยกไปยังไงก็ยังไม่ไปจนกระทั่งมีคนที่อยู่พระราม9ก้ะคะเขามาช่วยจับจับ2ครั้างนะคะให้ตัวเองเวียงตัวเองก็ยังไม่เวียงนะคะพอตอนนี้รู้สึกว่าข้างในตัวเองเริ่มเห ม, เหมือนมีอะไรอยู่ข้างใน ที่เริ่มจะหมุนนะคะเริ่มจะหมุนมันก็ไม่หมุนอีกเลยพอนั้นพอนั้นก็เต้นไปมีความสนุกกับเสียงดนตรีเท่านั้นนะะที่กลับจากพระรามเก้าพอมานะคะพอมากับจากพระรามเก้าก็มาปฏิบัติที่บ้านก็คือตอนนั้นยังไม่มีเสียงเพลงบอจะไม่ได้ให้เสียงเพลงตัวเองก็ใช้ระบบส่วนมนส่วนมนเอานะคะส่วนมนก็อยู่หน้า อ, อ, อยู่หน้าพระอะค่ะ วทำไมขาตัวเองพอส่วนหน้าพระทำไมขาตัวเองไปยืนอยู่ตรงหน้าคอมพิวเตอร์ที่บ้านได้ยังไงก็ยังมาบอกกับมีแก้วที่โรงเรียนก็ยังไม่ได้คิดอะไรอีกละค่ะจนกระทั่งบอสให้ไปทําที่พรมแดนวันนั้นก็เต้นไปธรรมดานะคะ่ะก็เต้นไปธรรมดาพอเต้นไปเต้นไปสักพักหนึ่งเหมือนมีใไขกระชากอ่ะกระชากเราอย่างแรงมากเลยแล้วตัวเองก็จะมุนหมุมนมุนเหมือ น, น, น, น, น, น, นลูกข่าตอนนั้นคือตั้งตัวไม่ติดเลย มันเป็นลูกค่างจริงๆค่ะเหมือนลูกคางเป็นรอยลูกค้างมาเลยแล้วแต่ก็ล้มลงไปล้มลงไปแล้วก็เหมือนอยากจะร้องไห้มันก็ร้องออกมานะคะอยากร้องไห้ก็ร้องออกมาตอนนี้พอมาวันนี้มาที่พรามกามาที่พารางคอยอะค่ะวันแรกก็ยังบอกว่ายังบอกน้องเลยว่าที่เนียพลังเหมือนมีพลังอะเยอะมากยังบอกน้อง แล้วที่ตัวเองไปที่ไล่อะค่ะตัวเองนั่งสวดมนต์อย่างเงี้ยค่ะก็จะเห็นเหมือนกับว่าเป็นรูปคล้ายๆรูปหัวใจนะคะเป็นรูปหัวใจแล้วก็มีจุดสามดวงคีอเขาจะเน้นมากจุดสามดวงก็สวดไปเขาือมันเป็นรูปหัวใจหัวใจก็คือเราโยกไปยังไงเขาก็จะโยกไปอย่างนี้จนกระทั่งมาที่นี่ก็เลยตั้งจิตบอกว่าถ้าเป็นบ่วงกรรมของลูกติดตามรูกมาชาที่แล้ว ขออย่าให้ลูกได้เห็นท้าย ห, หายไปก็บอกกับน้องคนหนึ่งบอกว่าพอเราอธิษฐานแบบเนี้ยเออเขาก็ไม่เห็นมาเลยนะแล้วบอกเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ลองขอดูอีกวันหนึ่งอพออีกวันหนึ่งตัวเองนั่งตัวเองก็ยังเห็นเขาเขาก็ยังแบบเราเบียดยังไงเขาก็ยังมาอยู่อย่างนั้นนะคะก็แสดงว่าพี่ก็บอกว่าเออคงไม่ใชออ่บ่วงกรรมมั้งมันคงเป็นจิตของเรามั้งถ้าเป็นจิตของเราก็ให้อยู่กับเราไป นะคะเสร็จแล้วพอมาทำบรรเละก็ไม่คิดอยู่ที่นนวนนะคะก็คือมันอยากหมุนนะคะนั่งเหวี่ยงนะคะก็คือมันอยากจะเหวี่ยงเวี่ยงเวี่ยงพอมาที่นี่มันก็เหมือนเดิมนะคะมันก็อยากเหวี่ยงเวี่ยงแต่ตัวเองก็ยังไม่ได้แสดงอะไรมากไม่รู้ว่ามันเข้าถึงจิตหรื อ, อยางอะไรอย่างเงี้ยก็คืออยากทำเสียงดนตรีมันมามแล้วในสมองตัวเองก็จะแบบ เหมือนกับว่าเป็นก้อนเมฆเป็นสายฟ้าแบบอะไรเนี่ยหานลงมาก็จะแสดงแบบ่าทางสนุกมากอะไรอย่างเงี้ยสนุกกับนีม่มากพอกลับบ้านไปวันแรกโอ้โหมันลุกไม่ขึ้นเจ็บระบมไปทั่วในท้องเจ็บก้นไปหมดก็เลยนอนก่อนนอนก็คือจะต้องสวมดมนต์แล้วก็เหมือนจะต้องเหวี่ยงก่อน พอวันนั้นเบียงไม่ไหวแล้วค่ะมันเจ็บไปหมดมันล้าวระเบมนั่งก็นั่งจะไม่ค่อยได้มันระเบมไปหมดก็เลยเบี่ยงไปได้นิดเดียวน้องบอกว่าจับเวลาดูพี่พี่เบียงเสร็จแล้วเหรอบอกพี่ไม่ไหวจริงนั่งไม่ไหวเจ็บในท้องไม่หมดอ่าพอมาวันที่สองก็อีกเลยหันเราบังคับจิตแล้วไม่ได้อะค่ะมันก็ไปอีกค่ะมันก็ไปตอนแรกกะว่าือเดี๋ยววันนี้ไม่ทํานะจะแอบดูคนอื่นเข้ามา ว่าจะเต้นคอ่อยๆจะเต้นเบาๆเดี๋ยวจะขอดูคนอื่นมากพอได้ยินเสียงเพลงปุ๊บเนยล่ะค่ะมาเลยค่ะรู้แล้วล่ะว่าต้องไปแล้วล่ะบังคับไม่ได้เลยนะคะจะเห็นแบบว่าเป็นท้องฟ้าเหมือนเราโล่งเราไปอยู่ที่ไหนเงนี้ยค่ะก็จะมีเหมือนสายฟ้าเหมือนสายอะไรเงี้ยค่ะมาอยู่เต็มแล้วก็คือเหมือนก็มีความสุขกับเสียงดนตรีนะคะอาจ้วลืมเล่าไปอย่างหนึ่ง วันนั้นทําที่บ้านเอ๊ะอยู่ๆทาไมตัวเองนิ่งนิ่งแล้วเหมือนเหมือนกับว่ามีพลังอะไรไม่รู้ค่ะขึ้นเคลนมาจากปลายแขนถึงโคนแขนเนี่ยหนักมากหนักมากแล้วตัวเองก็อยากบินอยากบินแล้วปากก็อยากจะลองคําว่ากากากา ก, ก็เลยไปถามมิโทรศัพท์ถามมิมิตรค่ะอย่างนี้เขาเรียกว่าระลึกชาติหรือเปล่าคะมิตรเขาก็อธิบายให้ให้ให้ใหฟัง ก็เลยมแบอกว่าอย่าไปยึดติดนะะกับอดีตชาติแล้วมาวันนี้วันที่สองก็รู้สึกว่ามันแต่มันทำแล้วมันเบาคุณครูมันเบามันอยากทำใครยมาขวางชนะฉันจะต้องไปของฉันอะไรอย่างเงี้ยมันเบาแล้วก็เหมือนมีความสุขแต่วันที่สองนี้ก็ยังแบบร้าวระบมยังเจ็บไปทั่วทั่วตัวแล้วเมื่อกี้ก็เหมือนกัน เดี๋ยววันนี้จะไม่ทำจะจะดูคนอื่นแต่เมื่อกี้ฟังพ่อครูพูดเหมือนเป็นเราต้องชดใช้กรรมให้เขา <Yeah. S 1> ก็ต้องทดใช้ค่ะ ค, คุณครูค่ะครับอย่าอย่าเหนียวนี่นะนะเราต้องแลกกับความเมื่อยความเจ็บปวดออกกำลังกายเหมือนกันใช่ไหมตึงเครียดไปหมดมันเป็นไม่กี่วันหรอก เดี๋ยวบางทีอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้ามันก็หายไปนะและจากนั้นร่างกายเราก็อยู่ตัวนะเพราะจิตเขาต้องเดินทางไกลเหมือนเราเรามีรถยนต์เดินทางไกลเราต้องตรวจเช็คสภาพรถให้ดีร่างกายเราคือรถยนต์นะต้องแข็งแรงนะเพราะจิตมันต้องอาศัยร่างเราเดินทางไกลนะจำไว้ว่าจิตไม่ทำลายไม่ทำลายตัวเองอยังไงไม่เจ็บปวดไปหมดเลยไม่ใช่ไม่ใช่จิตทาลาย เมื่อร่างกายมันต้องทำหน้าที่แบบนี้บางครั้งมันไม่แรงเนี่ยมันจะสลัดอุปทานเราออกไม่ได้บางครั้งต้องเร็วต้องแรงนะเราต้องใช้พลังงานของจั ก, กรวาลเนี่ยทุกอย่างที่ในตัวเราเนี่ยเอามาใช้ไม่งั้นเราจะปวดปล่อยจิตเราอิสระไม่ได้นะครับให้เชื่อมั่นในจิตเรานะถ้ามันอยากฆ่าเราบอกตายฉันยอมตายฉันขี้เกียจแล้วเนี่ยจิตมันกล้าไหมไม่มันหวงร่างกายนี้มาก เทวดาอยากได้ร่างเราเนี่ยเขาไม่มีร่างนะนะแต่ไม่ใช่ลวกเข้าทรงทรงเจ้าเดี๋ยวบางคนจะเข้าใจว่าเอออุปทานหมู่หรือเปล่าอุปทานหมู่เป็นอย่างไรเพราะกูเคยไปสอนเด็กวิทยาลาย e ัยอีเทคที่ชนบุรีนะเขาไปสลักอะไรเนี่ยเขาเปิดจิตไปรับหนุมานอ่ะนะพอไอ้คนหนึ่งขึ้นมันขึ้นเป็นทีมเลยแต่มาเจอวิธีนี้เนี่ยมันเหวี่ยงอุปทานหนุมานโดนเหวี่ยงทิ้งหมดนะทำ ไ, ไม แล้วก็ทุกคนไม่เหมือนกันมันจะอุปทานหมูได้อย่างไรมันไม่ใช่มันเป็นเรื่องจิตวิญญาณเราล้วนๆเลยเรารู้ตัวตลอดนะถ้าเรื่องเข้าทรงแล้วนี่เราถูกทรงแล้วมันครอบงำเราขาดสตินะก็ทำไปเรื่อยเถอะเดี๋ยวเราจะเห็นเองว่าเป็นยังไงทุกเริยบทที่เราแสดงนี่เรารู้ตัวตลอดนะก็ใกล้จะถึงเวลาทินข้าวเพราะครูก็จบอยู่ที่ว่ามีคนถามพ่อครูว่าพวกครูคิดอย่างไรเรื่องอาหาร มีมหาสีภัยหลายปีก่อนท่านเคยมาฝึกที่นี่เมื่อ20สปีก่อนน่ะแหละมาอยู่กับพ่ะครูสามพันศาปีนั้นท่านพาลือสีตนหนึ่งมาที่นี่นะก็คุยกันลือีบอกเป็นลือสีดีกว่าอิสระไม่ต้องมีวินัยบังคับพระมหาก็บอกเป็นพระดีกว่าโยมเขาศรัทธาสอนง่ายนะมาถามพ่ะครูพ่อครูว่าเป็นอะไรดีเพราะว่าเป็นอะไรก็ไม่ดีเอาเวียงทิ้ง เป็นปุ๊บหนักเลยเป็นอัตตาส่วนอาชีพเราเป็นพระเราก็อยู่กับอาชีพสมมุติเราเป็นฤาษีก็สมมุติแต่ถ้าจิตเราไปติดว่าเป็นโน่นเป็นนี่ดีกว่านั้นคือสร้างอัตตาไม่ดีทั้งนั้นแหละทีนี้ท่านฤาษีก็ถามว่าพ่อครูกินเจไหมบอกไม่พ่อคูกินมังสวิรัติไหมบอกไม่พ่อครูกินเนื้อสัตว์ไหมบอกไม่อีกพก่อครูกินอะไรล่ะกินอาหารอย่ามากเรื่อง กินอาหารที่มันเหมาะกับาธาตุเรากินเพื่ออยู่ไม่ใช่อยู่เพื่อกินกินเจดีไม่ดีถ้ามันเหมาะกับาธาตุเราแต่ถ้าว่าเป็นหลงว่าเจต้องดีไปได้พวกกินเนื้อสัตว์พวกยักษ์พวกมานเนี่ยไม่ดีแล้วคุณสร้างบัจจีกรรมกินอาหารใช่ ไ, ไมเขาบอกกินอาหารให้มันเหมาะกับเจ้าเรือนเหมาะกับาธาตุเราแก้วทิพนี่เป็นลูกุญธำพกูเมื่อเก้าปีกว่าจบมหาวิเลยนะ จบคอมพิวเตอร์ไปปฏิบัติอาจารย์มหาเชโยเนี่ยพอเข้าไปในจิตอดีตก็เป็นลูกพ่ะครูเหมือนกันนั่นแหละนะก็มาอยู่ที่นี่ไม่ได้ทำงานไม่แต่วันหนึ่งเขาเกิดมาเดินทางต่อแต่ที่นี่เขาเป็นโรคอะไรล่ะโรคขับถ่ายตั้งแต่เด็กมีปัญหาหมดคุณป้าเลี้ยงนี่ก็ต้องพึ่งยามาตลอดพอเขาเหวี่ยงเข้าไปในโปรแกรมนั้นเขาฝึกสายเมื่อกี้พ่าคูบอกให้คุณครูเนี่ยยกนิ้วขึ้นนิ้วเมื่อกี้เนี่ยหัดมาจากไหน นิวนี่คือสั ญ, ญลักษณ์อะไรนิ้วก้อยหนึ่งนิ้วนางสองนิ้วกางกับนิ้วโป้งนี่รวมกันเป็น1 น, นิ้วชี้หนึ่งอันนี้คือ4ีสองด้านคือมักมีองค์8นี่คือสายพระโพธิสัตว์กวนอิมพระโพธิสัตว์กวนอิมมีหลายปางนะมีหลายปางนะปางพันมือแต่ยุคนี้ตั้งแต่9ปีกว่า10ปีที่ผ่านมาพรกะูสัมผัสอารมณ์ได้เนี่ยขึ้นพระโพธิสัตว์ บางพันมือกำลังมาทำหน้าที่ของเราในนี้เนี่ยมีหลายคนแล้วแต่พรอครูไม่เคยจะไปทักทายว่าเธอเให้มันเกิดขึ้นเองนะจิตมันกำลังไปเอาโปรแกรมเดิมที่เป็นเป็นโปรแกรมที่เขาเด่นที่สุดมาต่อยอดนะถ้าเป็นนิ้วนี้นะนิ้วนิ้วนิ้วก้อยเนี่ยกับนิ้วโป้งเนี่ย อันนี้เป็นสายเจ้าแม่อูมาอะไรถังอินเดียนะนิ้วนี้เป็นพระโพธิสัตว์ควรอิบคนโบราณเขาจะใช้นิ้วมาเตือนสติอยู่ในมัดในทางเนี่ยถ้าสองด้านนี้ก็คือหมุนกงรงล้อของธรรมาจกมากมัดมีองค์8ส่วนทางเถรวาดเราเนี่ยปางปฐมก็อย่างนี้ก็หมุนกงรงล้อของธรรมาจากนะส่วนพระพุทธเจ้าทั้งหลายพระพิทธสูตรทั้งหลายเนี่ยถ้าเราเคยเป็นพระมาก่อนและโปรแกรมที่เป็นพระนั้น มีกำลังเด่นที่สุดเดี๋ยวออกมาแบบนี้เดี๋ยวคืนนี้ดูพระพุทธเจ้าแค่สั้นๆ น, นะแล้วเราปฏิบัติต่อนะอยากเป็นแบบนี้ก็คือหนึ่งสองสามสี่เหมือนกันมักมีองค์แปดนะมันเกิดขึ้นได้ยังไงใครสอนให้เราทำแบบนี้ค่อยๆเรียนรู้นะเราจะเอาปัญญาเก่าเรามาต่อยอดนะเพราะครูไม่ได้สอนให้ทุกคนเป็นแบบนี้มันเป็นเองไนะที่นี่ไม่ได้สอนอะไรเลยไม่มีวิชา ที่นี่เรามาจเจริญมรรคจิตพร้อมกันส่วนจิตแต่ละดวงเนี่ยจะรีวายไปเอาโปรแกรมที่ตัวเองถนัดมาต่อยอดมันเป็นนานาจิตตังนะก็สรุปพ่อครูเคยกินเจหลังจากระเบิดปุ๊บพ่อครูกินเจเป็นปีนะพอเดินทางปุ๊บมันไม่สะดวกก็กินเจเขียนะกินมังสวิรัต ปีหนึ่งกินผ ล, ลไม้อย่างเดียวข้าวเม็ดดึงก็ไม่เอานะถ้าพ่อคุูเลือกได้พรอคุูเลือกผ ล, ลไม้คือมันย่อยง่ายแต่ว่ามันขาดสารอาหารผิวแห้งหมดแต่มันไม่มีผลสาหรับจิตพ่อคูนะสุดท้ายมันอยู่ที่จิตแต่อาหารนี่เราป้องกันว่าอย่างแก้วจิบหลังจากเขาเข้าไปในโปรแกรมนั้นวิชาควนอิ่มเขาแล้วเนี่ยเขากินเนื้อสัตว์ไม่ได้ ไอ้โรคประจำตัวเขาตั้งแต่เล็กจนมาตอนนี้เนี่ยที่ว่าระบบขับถ่ายนีย่หายหมดเห็นหมมันเป็นธาตุของเขาในอดีตเลยนะธาตุใครธาตุมันอย่าเรียนแบบเอาว่ากินอาหารที่มันเหมาะกับเรากินง่ายๆอย่ามากเรื่องไปไหนก็หิ้วเจไปด้วยอันนั้นเขาเรียกว่าหิ้วเขาไม่ได้เรียกว่าวางแต่ไม่ใช่เจมันไม่ดีมันดีสาหรับธาตุเราเราก็กินไปนะ สมถะเรียบง่ายอันนี้ไปติดรูปแบบแล้วก็ไปไหนก็แบกไปด้วยนะมันเราติดอะไรก็พ้นทุกข์ไม่ได้ติดก็คือหลงเคนะก็จบแค่นี้แล้วทุกท่านจะได้ไปเตรียมตัวทานข้าวเคนะ